เมื่อวานเราก็ได้กล่าวถึงข้อความในทา่าพิพังคสูตรเป็นเนื้อหาช่วงเริ่มต้นของทา่าพิพังคสูตรนี่มาดูรายละเอียดที่เป็นตัวพระสูตรนะนะเพราะว่าครั้งก่อนหน้านี้เราเรียนเฉพาะอัตกะถาคือถึงตอนที่พระผู้มีพระภาคกับท่านปกติสกิตกำลังสนทนากาันพอดี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 บางพวกไม่ชอบหมู่คณะเลยนะบางพวกก็ชอบเลีกร์เลนชอบกายะวิเวกบางพวกก็ไม่ชอบกายะวิเวกนะซึ่งท่านนายพระขาวเาก็คิดว่าเขาเนี่ยได้ยกให้นักบวชที่มาก่อนแล้วบรรพชิตก่อนแล้วพันถ้าหากว่าบรรพชิตที่มาอยู่ก่อนท่านอนุญาตก็เชิญพักได้เลยลเนยีก็สมัยนั้นแลกุลบดเชื่อว่าป ก, กุสาติ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 ก็แปลว่าเข้าพระสมาบัติน่นะนะอรหัตผลสมาบัติระดับชานที่สเมื่อพระองค์นั่งคูบาลังอย่างงี้นะโดยราตรีผ่านไปเป็นอันมากก็แปลว่านั่งเลยเที่ยงคืนนั่นะนั่งแต่หัวค่ำเนี่ยเลยเที่ยงคืนก็คาดว่าไม่ต่ำกว่าหชั่วโมงนั่นนะนั่งเข้าสมานั่งเข้าพระสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะไม่ต่ำกว่าหชั่วโมง แม้ท่านปกุสาติก็นั่งล่วงเยลยราตรีอันนั้นเป็นอันมากเหมือนกันท่านปกุสาตินี้ก็นั่งเข้าฌานที่สี่มีลมหายใจเข้าออกเกินหกชั่วโมงอีกเหมือนกันเข้าฌานสมาบัติฌานสมาบัติพระพุทธเจ้าเข้าพระสมาบัติเป็นโลกุตระส่วนปกุสาตินี้เข้าฌานสมาบัติแต่เป็นฌานสมาบัติที่มีลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ระดับฌานที่สี่ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าอะ น, นะคือพอเวลาล่วงเลยเกินเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยนะร่างกายของปุกุสสาตินี่ก็หายเพลียถือว่าร่างกายที่มีจตุทชานเนี่ยเป็นเป็นสมุดฐานในส่วนที่เป็นจิตตชรูปเนี่ยนะก็ถือว่าสบายและได้ร่างกายที่เป็นสปายะอิรยาบทสบปายะได้สปายะล้อย่างอินทรีก็พร้อมนั้นพระองค์ก็พอออกจากพระลาสมาบัต ก็ทรงรําริดังนี้ว่ากลุ่มบทนี้ประพฤติหน้าเลื่อมสายหนอะเขาเราควรจะถามดูบ้างออคนนั่งเข้าชาตเนี่นะดูแล้วก็หน้าเลื่อมสายอนะตอนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามท่านปุกุสาติดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุ น, นะทัดโดยศัพบดุภิกษุก็แปลว่าผู้เห็นภัยในวัตฏะนะถ้าสำนวนพระสูตรก็คือดูก่อนท่านผู้เห็นภายในวะะัฏฏะท่านบวชอุทิศใครใครเป็นาศาสดาของท่าน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 ท่านปุกุสตาติต่อว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุมีพระสมณะโคโดมผู้สักยะบุตรเสด็จออกจากสักยะสกุลเนี่ยนะสักยะราชาสกุลทรงผนวดแล้วก็พระโคโดมผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลมีกิติศัพ์อันงามเนี่ยนะฟุ้งไปอย่างนี้ว่าเนี่ยนะกิติสัพโทอภุกคโตเนี่ยนะ อิติปิโสพะควาแม้เพราะเหตุดังนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสำมาสัมพุทโธตรงนี้ออบอกรู้เองโดยชอบวิชาจารณะสมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาจารณะสุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรู้แจ้งโลกปุริธรรสรรรธรรมสารถิเนี่ยนะอนุตตรโปุริสธรรมสารติเป็นสารตีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างหาคนอื่นยิ่งกว่าไม่ได้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 เดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่นั่นคือพระพุทธเจ้าที่พระองค์เสด็จอยู่ตอนนี้พระองค์ไม่ได้มีรัศมีเลยนะพระองค์กลบรัศมีหมดอธิษฐานไม่ให้มีรัศมีเรียกว่าให้ดูเหมือนภิกษุรูปหนึ่งเท่านั้นเอง <c oughs> ก็คือเพราะพระองค์เนี่ยปกปิดเรียกว่าฉับพันนรังสีเป็นต้นแม้กระทั่งนายพระวะเนี่ยก็ไม่รู้จักเลยนะซึ่งเป็นชาวเมืองราชครืึ้ที่เรียกใครบ้างไม่รู้จักพระจันทร์พระอาทิตย์เห่างนั้น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 ปุกษาติก็บอกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเลยถึงเห็นแล้วก็ไม่รู้จักเพราะว่าอ่านสารอ่านจดห ม, มายมาเนี่ยนะบวชก็บวชมาตามจดหมายนี่แหละว่า ง, งั้นแต่ท่านก็ไม่บอกว่าท่านอ่านจดห ม, มายมาใช่ไหมท่านไม่ได้ว่า ง, งั้นแต่ว่าก็เลยบอกถามเฉพาะตรงประเด็นคือคนที่ได้ฌานเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งที่ ที่ท่านเหล่านั้นมีอยู่เนี่ยคำพูดท่านจะไม่มีการย่นเยอะอะไรเอาแต่ประเด็นเอาแต่สาระเพราะว่าเธอท่านเข้าถึงธรรมที่เป็นสาระเนี่ยนะเพราะคาพูดถ้อยคำเป็นต้นเนี่ยค่อนข้างประหยัดมากๆเลยแม้แต่อะไรนะคำพูดทั้งหลายเนี่ยมีวิตกวิจารณ์เป็นสมุทฐานท่านเหล่านั้นเนี่ยรังเกียจแม้กระทั่งวิตกวิจารเพราะฉะนั้นคำพูดท่านโดยมากไม่ค่อยพูดกันนยะยิ่งพูดได้ฌานด้วยแล้วเนี่ย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 วิตกเนี่ยเมื่อวิตกไม่ค่อยมีก็ไม่มีกระถาอะไรที่จะต้องคุยกันอะไรงี้นเพราะคนที่มักไปด้วยการพูดนะให้รู้ว่ามากไปด้วยอากุศลวิตกพวกนี้จะมักมักพูดอย่างเง้นเถอะมักพูดบางคนก็พูดแบบมีเสียงกับไม่มีเสียงไงไบางคนเนี่ยเสียงไม่ค่อยแปลกอ่แต่ว่าใจนี้พูดมากเหลือเกิอ น, นะนอย่างเงี้ยนะช่างบ่นอย่างเงี้ยสรุปว่า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 นักเลงสุราใช่ไหมท่านักเลงสุราเนี่ยบอกข้าพเจ้าจักรินสุราให้ท่านดื่มเนี่ยนะท่ารังเกียจไหมปกติไม่รังเกียจฉันใดท่านปกุศสติเนี่ยเป็นผู้ไข่ทำฉันนั้นคือคือพูดถึงว่ากระหายเรื่องนี้จริงๆเดี๋ยนะถ้าถ้าใครที่เคยเข้าใจคําว่านักดื่มเนี่ยนะก็พวกนี้ฟังปั๊บฟั ง, ฟ, งฟังรู้เรื่องทันทีว่าพวกนักดื่มเนี่ยนะโอ้ก็จะดื่ไมเขาก็พยักหน้าทันทีเลยนะรับเร็วมากฉันใดกลุ่มนี้ก็ลักษณะเดียวกัน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 ไม่เพงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มภูลจาคะพึงศึกษาสันติเท่านั้นนี้เป็นอุเทศแห่งธาตวิพังหกเนี่ยนะก็เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการจำแนกเนี่ยนะในข้อ678เนี่ยนะข้อ678เนี่ยนะสำคัญมากเลยนะเป็นหัวข้อสำคัญที่จะได้กล่าวต่อไปที่พระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าคนเรานี้มีธาตห ถ้าแยกสับนะคนเรานี้อ่ะนะอันนี้เป็นบัญญัติเนี่ยนะเป็นบัญญัติมีธาตุหเนี่ยเป็นปรมัทิศใช่ไหมก็เป็นบัญญัติกับปรมัทิศแสดงควบคู่กันไปคนเรานี้มีภาษายตนาหกนะั่นแหละคว่ามีในที่นี้นะตรงนั้นบอกว่าเป็นปุคลาที่ฐานว่าคนเรานี่มีธาตุหเอ่อมีภาษายตนะ6ภาษายตนะ6ตรงนี้ก็แปลว่าแดนสัมผัส6แล้วนะ จึงก็มาจากคำว่าผัสสายตนาหแล้วก็มีมโนปวิจารสิบแเขาแปลว่าความหน่วงนึกของใจนะก็คือมโนปวิจารสิบแแล้วก็มีอธิฐานธรรม4ก็คือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่อันผู้ที่ตั้งอยู่แล้วเนี่ยนะคือตั้งอยู่ในธรรมทั้งสี่ดังกล่าวแล้วเนี่ยไม่มีกิเลสเครื่องสาคัญตนกิเลสเครื่องสาคัญตนนี้เป็นชื่อของ ตันหามานะทิฏฐิกิเลสเครื่องหมักหมมเป็นไปหมักหมมก็ตันหาเป็นต้นนั่นแหละเมื่อกิเลสเครื่องสำคัญตนคือตันหาทิฏและทิฐิมานะเนี่ยนะกิเลสเครื่องหมักหมมไม่เป็นไปอยู่บัณฑิตจะเรียกเขาว่ามุนีผู้สงบมุนีผู้สงบตรงนี้เป็นชื่อของพระอรหันต์เนี่ยนะเพราะว่าพระอรหันต์นี้เป็นมุนีผู้สงบไม่เพิงประมาทปัญญาที่หมายถึงสมาธิปัญญาและก็วิปัสนาปัญญา ไม่เพึงประมาทสมาธิปัญญาวิปัสนาปัญญาเนี่ยเพื่ออรหัตเพึงรักษาสัจจะหมายถึงรักษาวจีสัจจะที่หมายถึงอธิศีลสิกขาเมื่อรักษาสัจจะคืออธิศีลสิกข า, ออกขาที่เป็นวจีสัจจะอย่างนี้แล้วก็จะเป็นไปเพื่อปรมาทสัจจะคือนิพพานเพึงเพิ่มภูณจาคะอันนี้ก็หมายถึง ปหารนะนั่นเองจาค้าหมายถึงประหารนะตะทางค้าประหารเป็นต้นเพระาะนั้นก็ให้เพิ่มภูนตะทางค้าปรหารวิคัมภนาปรหารสมุเชษธประห า, า ร, หา เ, ปรหาเป็นต้นนนะพึงศึกษาสันติคําว่าสันติหมายถึงการสงบกิเลส น, นะสงบกิเลสพึงศึกษาสันติหมายถึงศึกษาอรหัตผล น, น, นี้เป็นหัวข้อโดยยอด่อซึ่งบรรดูอัธกถาอธิบายก่อนนะอัธกถาหน้า3ามห้า น6 5นะนับขึ้น6บรรทัดนะหน้า365นับขึ้น6บรรทัดบทว่าฉะทาตุโรอยังความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัดข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้นแก่กุลบุตรแต่ทรงปราลบเพื่อตรัดบอกวิปัสสนาลักษณะเท่านั้นซึ่งเป็นความว่างเปล่าอย่างยิ่งอันเป็นประฐานแห่งพระอระหันต์แต่เบื้องต้น นนะท่านปกติเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สอนอธิสีและศีขาที่จิตศีขาอะไรเลยใช่ไหมมาถึงสอนข้อปฏิบัติเพื่ออรหันเลย อ, นนะอธิบายว่าบุพภาคปฏิปทาของผู้ใด ย, ยังไม่บริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสบอกปุปผาปฏิปทาปุพภาเนี่ยแปลว่าเบื้องต้ น, นนะปฏิปทาก็คือข้อปฏิบัติหรือเครื่องดําเนินเครื่องดําเนินเบื้องต้นที่ยังไม่บริสุทธิ์ เนี่ยนะที่จะต้องสอนกันก่อนก็คือศีลสังวรเนี่ยนะสี่แลสังวรก็หมายถึงกายสุจริตรวจีสุจริแล้วก็อาชีพเป็นที่8ปเนี่ยเรียกว่าศีลสังวรคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็คืออินทรียสังวรโภชเนะมะตันยุตาที่เรียกว่ารู้จักประมาณในโภชนะชาคริยานุโยกการประกอบเนืองเนืองซึ่งความเพียรเป็นเครื่องตื่นแล้วก็ตั้งอยู่ในสัตรูเจ็ดประการ สัทธรมเจ็ดก็มีศรัทธาหิริโอตตปปะสุ ต, ตะวิริยสติปัญญาเนี่ยนะเรียกว่าสัทธรมเจ็ดแล้วก็ฌานสี่แก่ผู้นั้นก่อนทีเดียวสังเกตทั้งหมดนั้นก็คือจารณ15เนี่ยนะก็ดังนั้นใครที่เบื้องต้นไม่ค่อยดีนักพระองค์จะสอนจารณ15ก่อนจารณ15ไล่ดูนะหนีลสังวรสออินทรีสังวรคือคุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายเนี่ยนะ 3. ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะที่เรียกว่าโพชนะมะตัญยุตา 4. การประกอบเนืองเนืองซึ่งความเพียรเป็นเครื่องตื่นที่เรียกว่าชาคิริยานุโยกนะี่แล้วใช่หแล้วก็ศัทธารรมอีกเจดก็ศรัทธาเป็นข้อห 7. เจดฮิริแปดโอต ป, ปะ 9, สุดตสติบวิริยะส1บอดสติ 12. บสองปัญญาเกิน 11. บอปัญญานะแล้วก็ ฌานอีกสี่ประการก็รวมเป็น15พอดีพันธพงค์ก็จะสอนจารณะ15ก่อนซึ่งปุกุสาติกุลบุตรนี้จารณะส5บท่านดีเยี่ยมหมดเลย น, นะเพราะได้ฌานสี่เรียบร้อยแล้วนี่นะแต่ปุปภภาคปฏิปทานนั้นใดของผู้ใดบริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ตรัสปุปภะภาคปฏิปทานนั้นแต่จกตรัสบอกวิปัสนานั่นแลซึ่งเป็นปฐฐานคือเหตุใกล้แห่งพระอรหันต์แก่ผู้นั้น ก็ปุปภาพปฏิปทาของกุลบรบริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะเรียกว่าดีเยี่ยมแปลโดยรวมมาสุดจริตสามดีเยี่ยมศีลสังวรกา ย, ยสุจริตวจีสุจริตก็ดีเยี่ยมปัจจัยที่สําคัญต่ออินเอ่อต่อศีลสังวรก็คืออินทรีย์สังวรผู้ที่จะอินทรีย์สังวรได้ดีจะต้องมีโภชเนมตันยุตรารู้จักชาคริยานุโยกแล้วก็คุณธรรมภายในตัวเนี่ยนะศรัทธาฮิริโอตปะโสตสติ วิริยะปัญญาเนี่ยอันนี้ก็ต้องดีอยู่แล้วคุณธรรมพื้นฐานบาทฐานเหล่านี้ต้องดีจึงจักรองรับฌานสี่ได้เมื่อรองรับฌานสี่อย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเบื้องต้นเนี่ยดีเยี่ยมมาแล้วสุจเริสามเนี่ยดีเยี่ยมก็ที่เหลือก็ฟังวิปัสสนาเพื่อความบรรลุเลย